ธรรมะที่เป็นกุศลและแม้โพชงอันเป็นฝ่ายกุศลและธรรมนี้ก็กล่าวได้ว่าอาศัยสัญญอดก็กล่าวได้ว่าอาศัยอายุตนะ บังเกิดขึ้นอีกเหมือนกันและก็กล่าวได้ว่าอาศัยขันห้ามังเกิดขึ้นด้วยและต่อจากนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงสัจธรรม คืออริยสัจ ท, ทั้งสี่อันเป็นที่ตั้งแห่งยานคือความอย่างรู้ซึ่งผูปฏิบัติในสติปัฏฐานเมื่อตั้งสติกำหนดมาโดยลำดับ สติปฐานเลื่อนขึ้นเป็นโพชฌงกก็ย่อมจะได้วิชาหรือญาณคือความอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่อันได้กิทุกข์ทุกข์ก็สมุ ท, ทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ ทุกขนิโรธความดับทุกข์และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านั่น ย่อมปฏิบัติได้เป็นอนุปุพหปฏิปทาคือข้อปฏิบัติโดยลำดับแม้ว่าจะจับปฏิบัติในลมหายใจเข้าลมหายใจออก คำสติในลมหายใจเข้านำลมหายใจออกอันเรียกว่าอาตาอาณาปานสติอันนับเข้าในหมุดกายเมื่อได้สติเป็นสติปัฏฐานขึ้น ก็จะได้สติที่เลื่อนขึ้นมาโดยลำดับเองคือทำรรปฏิบัติจะเลื่อนชั้นขึ้นไปเองโดยภูปฏิบัติเป็นภูประคองสติแม้ในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนี้ เมื่อสติตั้งเป็นสติปะัะญากายก็จะปรากฏคือตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกเองเวทนาก็จะปรากฏคือตัวความรู้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออก อันเป็นความรู้เสวยจิตก็จะปรากฏคือจิตที่มีสติตั้งอยู่ในตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกและในความรู้ รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เป็นความรู้สวยธรรมะก็จะปรากฏหากเป็นนิวรณ์เึ่งเป็นอกุศลธรรมนิวรณ์นี้ก็จะปรากฏ และเมื่อสติตั้งกำหนดอยู่นิวรณก็จะดับและเมื่อนิวรณดับขันห้าอันเป็นที่ตั้งของทั้งสติและทั้งนิวรณ และทั้งเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติก็จะปรากฏเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณ เข้าก็เป็นนามารูปดังที่เรียกว่ากายใจรูปก็เป็นกายนามก็เป็นใจกายใจก็จะปรากฏและอาจตนะก็จะปรากฏ อยายตนะก็คือตากับรูปที่ประจวบกันอยู่หูกับเสียงที่ประจวบกันอยู่จมูกกับกลิ่นที่ประจวบกันอยู่ลิ้นกับรสที่ประจวบกันอยู่กายและผลภัณฑ์สิ่งที่กายถูกต้องที่ประจวบกันอยู่ มโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวที่ประจบกันอยู่ก็จะปรากฏและตัวสัญญชต์ก็จะปรากฏขึ้นแก่ความรู้ในขณะที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกเหล่านี้ประจบกัน สัญญาณที่ปรากฏขึ้นแก่ความรู้นี้ตั้งจากสัญญาณที่บังเกิดขึ้นแต่ไม่ปรากฏแก่ความรู้ภูมิที่ยังไม่ได้ปฏิบัติใหได้สตินั้น เมื่ออาจตนาภายในอาจตนาภายนอกระจวบกันย่อมเกิดสัญญชต์คือความผูกอยู่เสมอแต่ไม่ปรากฏแก่ความรู้สัญญชต์กินครอบงำได้เมื่อสัญญอต์ครอบงำได้ อายุตนะเองก็เป็นสัญญต์ขันห้าเองหรือนามรูปก็เป็นสัญญตไปหมดซับซ้อนกันและก็ปรากฏสืบเนื่องไปเป็นนิวรณได้ทุกข้อแต่ผู้ปฏิบัติทมสติปัฏฐานนั้น เมื่อได้สติปัญญาสัญญอดึงปรากฏแก่ความรู้ว่าสัญญอดเกิดและเมื่อปรากฏแก่ความรู้สัญญาก็ดับ จึงเห็นเกิดดับของทัางอายตนะภายในภายนอกกับทั้งของสัญญานเพราะปรากฏแก่สติที่กำหนดอยู่ และเมื่อเป็นดังนี้สติที่กําหนดดูอยู่ดังนี้ก็เลื่อนขึ้นเป็นสติสัมโพชฌงเป็นสติที่ประกอบด้วยปัญญาคู่กันไปกับปัญญา และก็เลื่อนขึ้นเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิจัยธรรมเลิกเป็นธรรมก็คืออาจตนาภายในภายนอกที่ประจบ ก, ก, กันปรากฏสัญญาตที่เกิดขึ้นปรากฏ สัญลักษ์ที่ดับไปปรากฏรู้ว่านี่เป็นอาจักภายในภายนอกนี่เป็นสัญลญัตษ์เกิดนี่เป็นสัญลักษ์ดับทรรมวิจัยเลือกเฟ้นทรรม ก็คือมองเห็นธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตนี้เองรู้จักวันนี้เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลนี่เป็นอัพยากัตรธรรมลกลางๆลาตัวอายจะณภายในภายนอกนี่เป็นอัพยากัตรธรรมกลางกลางสั ญ, ญญาที่บังเกิดขึ้นเป็นอกุศล ไปเป็นอีวอนก็เป็นอกุศลและตัวสติปัฏฐานที่ดูอยู่มองเห็นอยู่เลือกเฟ้นอยู่นี่เป็นตัวกุศลกุศลธรรมกุศลธรรมก็ตัดทนะ่ากุศลธรรมันยอดก็ดับไป ทมรรคปิญยาสัมโพธิ์ถึงจึงมองเห็นทมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นและที่ดับไปในจิตและเมื่อเป็นดังนี้จึงได้มีวิริยะสัมโพธิ์ฉ เป็นตัวความคมกล้าของปัญญาของสติซึ่งตัดอกุศลได้ฉับพลันยิ่งขึ้นและ ทำให้สติปัญญาข่มกล้ายิ่งขึ้นปรากฏขึ้นเป็นไปเองจนถึงปัญญาที่ข่มกล้านี้เป็นเครื่องข้าม ม่ให้สัญญาต์บังเกิดขึ้นซึ่งจะต้องตัดคือว่าสัญญาต์เป็นฝ่ายไ พ, พ่แพ้ไม่กล้าโผล่ขึ้นมาขันห้าก็เป็นไปอารเจตนาภายในภายนอกก็เป็นไป ไม่ต้องหลับตาหลับหูเป็นต้นก็คงลืมตาดูอะไรหูได้ยินอะไรแต่ว่าสัญญาณไม่เกิดด้วยกำลังของปัญญาพร้อมทั้งสติที่คมกล้าแปลว่าไม่กล้าโผลหนะ ดังนี้เป็นลักษณะของวิทยะสัมโพชฌงและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ได้รับการชำระฟอกล้างขัดเกลาให้บริสุทธิพุทธพ่องจึงได้ความเบิกบาน อันเกิดจากความบริสุทธิ์ุดผองปรากฏเป็นสติสัมโพชงอันมีลักษณะที่อิ่มใจเบิกบานใจผ่องใสใจเพราะเหตุว่าบรรดาเครื่องเศร้ามอง ตกลงไปจากจิตไม่ทำให้จิตเศร้าหมองจิตก็ผ่องใสเบิกบานอิ่มเ อ, อิบดูดเดิมอยู่ในธรรมปฏิบัติยิ่งขึ้นไป เป็นปีติสัมโพชฌงค์และเมื่อเป็นดังนี้ก็เลื่อนขึ้นเป็นปัสธสิสัมโพชฌงค์คือสงบมีสุขทั้งทางใจทั้งทางกาย สมาธิสัมโพชงคือตัวสมาธิเองก็ตั้งมันแน่แน่ยิ่งขึ้นประกอบด้วยความที่จิต สงบบริสุทธิ์ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนตั้งสงบอยู่และเมื่อเป็นดังนี้จิตก็เพ่งกำหนดอยู่ในภายใน ไม่ออกไปภายนอกรู้อยู่ในภายในจิตที่ตั้งสงบอยู่ในภายในรู้อยู่ในภายในนี้เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงเป็นจิตที่วาง คือไม่วุ่นวายจับโน่นจับนี่เป็นจิตที่เฉยคือไม่กําเริบพงศานสงบอยู่ในภายในแต่ว่ารู้อยู่เห็นอยู่ รู้อยู่เห็นอยู่ในภายในรู้อยู่เห็นอยู่สงบอยู่บริสุทธิ์ผุดพองอันเป็นลักษณะของอุงเบกขาสัมโพชง ฉะนั้นกูเบคาคือความที่รู้อยู่ดูอยู่ในภายในนีเจึงดูรู้อยู่ในตัวสมาธิของจิตเองดูรู้อยู่ ในความตั้งมั่นของจิตในสมาธิของจิตจึงดูจึงรู้ทั้งตัวสมาธิคือตัวความตั้งมั่นของจิตทั้งอารมณ์ของสมาธิ สมาธิตั้งอยู่ในอะไรก็รู้ตัวสมาธิคือตัวตั้งอยู่ก็รู้เป็นความที่รวมพลังของความรู้อยู่ในจุดอันเดียวซึ่งมองเห็นทั้งหมดเหมือนอย่างว่า ตารวมอยู่ในหน้าปัดของนาฬิกาทุกๆอย่างที่อยู่ที่หน้าปัดของนาฬิกาก็มองเห็นหมดเข็มนาฬิกาก็มองเห็นตัวเลขที่เป็นวงสำหรับบอกเวลาก็มองเห็น ทุกทุกอย่างในจิตก็ปรากฏอยู่ในความรู้ความเห็นทั้งหมดเมื่อเป็นดังนี้เมือ่อน้อมจิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาไปเพื่อรู้ ในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตนั้นจึงย่อมจะเห็นอริยสัจได้จะเห็นทุกข์จะเห็นสมุทยัยจะเห็นนิโรธจะเห็นมรรคก็เพราะว่าเมื่อปฏิบัติได้สติปัฏฐานได้โพชฌงมาโดยลำดับ จนถึงอุเบกขาสมโพธชงดังนี้ตัวสมาธินั่นเองนอกจากเป็นตัวที่เป็นความตั้งมั่นแน่วแน่ของจิตแล้วยังเป็นตัวรวม แห่งที่ตั้งของปัญญาทั้งหมดเมื่อสรุปลงแล้วขันห้านามารูปก็อยู่ในสมาธินี้เพราะฉะนั้นเมื่อน้อมจิตไปเพื่อรู้ จึงมองเห็นนามารูปมันเป็นตัววิปัสนาภูมิทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ก็ย่อมปรากฏขึ้นสภาวะทุกข์ก็ ย, ย่อมจะปรากฏชาชารามรณะมากินนั ก, กทุกข์ก็ ย, ย่อมจะปรากฏ สโสกะปริเทวะเป็นต้นและทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกปรากฏขึ้นดังนี้ธรรมดาที่ปรากฏขึ้นมันเป็นทุกขตาอณิจจตาอนัตตา ก็จะปรากฏขึนตัณหาที่ซ่อนอยู่ก็จะปรากฏขึ้นเป็นตัวทุกขสมุทยัยการปฏิบัติมาที่เป็นตัวทุกขเนิ โ, นโดจก็จะปรากฏขึ้นข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติมารวมเข้าเป็นมรรคสัจจะก็จะปรากฏขึ้น เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงญาณในอริยสัจสือต่อและเมื่อเห็นทุกข์ก็คือดวงตาเห็นธรรมดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา เมื่อเห็นทุกข์ดังนี้สมุทัยก็จะย่มดับเป็นตามกาลังของปัญญาปรากฏเป็นทุกขนิร้รอความดับทุกข์ข้อปฏิบัติมาก็เป็นมกักในพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงชี้แจงว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือทุกขสมุทยัยอะไรคือทุกขกรณีรอ อะไรคือมัดทั้งทุกข์ทั้งทุกขสมูรไทยทั้งทุกขอนิโรดนั้นก็แสดงยกเอาอายตนะภายในภายนอกนี่แหละขึ้นเป็นโดยลำดับตัวอายตนะภายในภายนอกเองนั่นเป็นตัวทุกขสัจจะ และก็อาศัยอาจาจักะภายในภายนอกนี่แหละเป็นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ของสมุททยสุมาไทยก็เกิดขึ้นที่นี่และเมื่อสมุททยดับเป็นนิโรดนิโรดก็บังเกิดขึ้นที่นี่อีกเหมือนกันไม่ใช่ที่ไหนทั้งหมดนี้ก็รวมอยู่ในตูสมาธิ ซึ่งประมวลไว้ในจิตนี้เองซึ่งอาศัยอุเบกขาคือความเขาไปเพ่งดูเพ่งให้รู้ให้เห็นอยู่ภายในนี้ก็จะปรากฏตัวขึ้นมาว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุ ท, ทยัยอะไรเป็นในรดอะไรเป็นวัคโดยลาดับต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป